สิสตัระรัตสมวัตหนึ่งอธิอรหัตโตปุญญูปจโยติกถาหนึ่งร้ว่าด้วยพระอาหารหันต์มีการสั่งสมบุญเจ็อยเจสกวาทีพระอาหารหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีพระอาหารหันต์มีการสั่งสมบาปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันไม่มีการตั้งสมบัตใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีพระอรหันไม่มีการตั <ane Parece> ้งสมบุญใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดรจ็ดสกวาทีพระอรหันมีการตั้งสมบุญใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีพระอรหันร้างสมบุญญาพิสังขาร อาเนชาพิสังขารทำกรรมที่เป็นไปเพื่อคติเพื่อพบเพื่อความเป็นผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่อมีสมบัติมากเพื่อมีบริวารมากเพื่อความงามในหมู่เทพเพื่อความงามในมนุษย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ8สสกวาที พระอรหันต์มีการสั่งสมบุญใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์ยังสังสมอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ไม่สั่งสมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์ละพระอรหันต์ยังยึดมั่นพระอรหันต์ยังกำจัดอยู่ พระอรหันยังก่ออยู่พระอรหันยังทำลายอยู่พระอรหัน์ยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต่างสมอยู่ก็มิใช่ไม่สัางสมอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ไม่ต่งสมแล้วดำรงอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต่างสมอยู่ก็มิใช่ไม่สังสมอยู่ก็มิใช่ แต่เป็นผู้ไม่สั่งสมแล้วดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการตังสมบุญสักวาที 3. พระอรหันต์ละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้ละแล้วดำรงอยู่กำจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่แต่เป็นผู้กำจัดแล้วดำรงอยู่ทำลายอยู่ก็มิใช่ ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทําลายแล้วดํารงอยู่มิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันต์ทําลายอยู่ก็ไม่ใช่ปรับปรุงอยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นผู้ทําลายแล้วดํารงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันต์มีการตั้งสมบุญเ79ประวาที พระอระหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญใช่ไหมสกวาทีใช่ใชปรวาทีพระอรหันยังให้ทานใช่ไหมสกวาทีใช่ใชปรวาทีหากพระอรหันยังให้ทานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอระหันต์ไม่มีการสั่งสมบุญปรวาทีพระอรหันยังถวายจีวรบินทบาทเสน <tal ent is. S 1> าสนะ กิฬานปัจจัยเพสัตรบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ำดืม่มยังไหวพระเจดีย์ยังยกดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไห้ขึ้นไว้บนพระเจดีย์ยังทำประทักษิณพระเจดีย์ใช่ไหมสั ก, กวาทีใช่ปรวาทีหากพระอรหันยังทำประทักษิณพระเจดีย์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันยังไม่มีการสั่งสมบุญ อธิอรหัตโตปุญญูปั จ, จโยติกถาจบ 2. องนาทีอรหัตโตอากาละมัจจูติกถาหนึว่าด้วยพระอรหันต์ไม่มีอากาลนะมณะเจ็ดร้กวาทีพระอรหันต์ไม่มีอากาลนะมณะใช่ไหมประวาทีใช่ใชสกวาทีผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหม ปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีผู้ฆ่าพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันต์ไม่มีอากาละมณะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์ไม่มีอาการละมณะใช่ไหมปราวาทีใช่ สกวาธีบุคคลปรงชีวิตพระอรหันได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่หรือปรงชีวิตได้เมื่อหมดอายุใช่ไหมปรวาธีปรปงชีวิตได้เมื่อยังมีอายุเหลืออยู่สกวาธีหากบุคคลปรงชีวิตได้เมื่อยั ง, ง, งมีอายุเหลืออยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันไม่มีอาการล้มมรนะณะสกวาธี บุคคลปรองชีวิตพระอรหันต์ได้เมื่อหมดอายุพระเหตุนั้นผู้ฆ่าพระอรหันต์จึงไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็อสกวาทีพระอรหันต์ไม่มีอาการมรณนะใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สกวาทียาพิษสตราไฟ ไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษัตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้มิใช่หรือปราวาทีใช่สกวาทีหากยาพิษัตตราไฟพึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอรหันต์ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระอระหันต์ไม่มีอาการละมรณะส ก, กะวาธียาพิจตตราไฟไม่พึงกล้ำกลายเข้าไปในร่างกายของพระอระหันต์ใช่ไหมปรวาธีใช่ส ก, กวาธีผู้ฆ่าพระอระหันต์ไม่มีใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยแปดสิบสองรวาธี พระอรหันต์มีอาการรมรณะใช่ไหมสกวาทีใช่ปราวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะไม่กล่าวกรรมที่สัตว์มีเจตนาทําไว้ตั้งสมไว้ว่าสิ้นสุดเพราะยังไม่เสวยผลก็ผลนั่นแหละสัตว์ต้องเสวยในอัตภาพนี้ในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อต่อไป มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นพระอรหันจึงไม่มีอาการละมรณะนติอรหัตโตอาการะมัจจุติกถาจบสามสภมิทังกรร ม, มโตติกถา168ว่าด้วยสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรม เจ็ดรกวาทีสิ่งท curtain, yani ั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีแม้แต่กรรมเองก็เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะเหตุที่ทําไว้ก่อนใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้กวาทีสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ สกว า, าธีบุคคลพึงฆ่าสัตว์พระวิบากของกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปาณาติบาตมีผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากมีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีปาณาติบาตไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลพึงรักทรัพย์พูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อตัดช่องย่องเบาปล้นสะดมปล้นเรือนหลังเดียวดักปล้นในทางเปลี่ยวผิดภรรยาผู้อื่นปล้นชาวบ้านปล้นชาวนิคมพึงถวายทาน ดีวอบินธบาศเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพสัตรบริขารเพราะวิบากของกรรมใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกีฬานปัจจัยเภสัตรบริขารมีผลใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกรรมวิบากมีผลใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมวิบากไม่มีผลใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีคิฬานปัจจัยเพสัตบริขารไม่มีผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยห้าปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นไปเพราะกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มูสัตเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้เล่นไปอยู่ฉะนั้นบุคคลได้เกียรติความสรรเสริญความเสื่อมการถูกฆ่าและการถูกจองจำก็เพราะกรรมบุคคลทราบชัดกรรมนั้นที่ทำให้ต่างกันได้ใช้ฉะไหนเล่าจะพึงกล่าวว่ากรรมไม่มีในโลก มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นสิ่งทั้งปวงนี้ถึงเป็นไปเพราะกรรมสภมิทังกรรมโตติกถาจบ 4. อินทริยพัทธกถา169่า16ว่าด้วยสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรียแปดสกสกวาที สิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือประวาทีใช่ักาวาทีหากสิ่งที่ไม่เนื่องโดยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไป <h ati. S 1> เสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดา ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์สั ก, กวาทีสิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความแป ร, แรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาธีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เทียงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาที สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาแต่สิงนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดรสกวาทีสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งที่ไม่เน nee ื่องด้วยอินทรีย์ก็ไม่เที่ยงมิเช่หรือปรวาทีใช่ตกวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ไม่เที่ยงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์เจ8ดร้ปดสวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นเป็นทุกข์ใช่ไหม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 เหมือนทุกที่เนื่องด้วยอินทรีย์ที่พระอริยะกําหนดรู้แล้วย่อมไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมสกวาธิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีดังนั้นสิ่งที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นจึงเป็นทุกข์อินทริยพัทธกถาจบ 5. ้ทเปตวาอริยมักคันติกถา170ว่าด้วยการยกเว้นอริยมัค เจ็สิกวาทียกเว้นอริยมรรคสังขารที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้ทุกข์ขัดสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปร ว, รวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีแม้ทุกข์ขัดสมุทัยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอริยสัจมีเพียงสามอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยสัจพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สอย่างคือหนึ่งทุกสองทุกขสัมมุทัยสทุกขนีโรดสทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาไมิใช่หรือปรวาทีใช่ ักวาทีหากอริยสั์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้สี่อย่างคือหนึ่งทุกสองทุกขสมุ ท, ทยัยสามทุกขนิโรธสทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอริยสั์มีเพียงสามอย่างเท่านั้นจักวาธีแม้ทุกขสมุ ท, ทยัยก็เป็นทุกใช่ไหมประวาทีใช่ ักวาธีโดยความหมายว่าอย่างไรปรวาทีโดยความหมายว่าไม่เที่ยงสกวาทีอริยมรรคไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยมรรคเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอริยมรรคไม่เที่ยงแต่อริยมรรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาที ทุกขสมุทัยไม่เทียง hey. แต่อริยมรคนั้นไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นจักกวาทีทุกขสมุทัยไม่เที่ยงแต่อริยมรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่จักกวาทีอริยมรไม่เทียงแต่อริยมรคนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น790ดร้ปรวาที ท่านไม่ยอมรับว่ายกเว้นอริยมรตังขานที่เหลือเป็นทุกข์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอริยมรตเป็นทุกข์คณิโรธคามินีปฏิปทามิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอริยมรตเป็นทุกข์คณิโรธคาไินีปฏิปทาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ายกเว้นอริยมรตังขานที่เหลือเป็นทุกข์ สเปตวาอริยมักคันติกถาจบ 6. นวัตตัพังสังโคทักคินังปฏิคันหาตีติกถาหนึ่งเจว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าประสง์รับทักษินาเจ1ดักสักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสง์รับทักษินาได้ใช่ไหมประวาทีใช่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 เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้สักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สักวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินามิใช่หรือปราวาทีใช่ สกาวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้สกาวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่พระสงฆ์มีอยู่มิใช่หรือ ปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่ประสง์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าประสง์รับทักษินาไดา้ส ก, กวาทีบุคคลบางพวกที่ถวายจีวรปินทบาทเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัตชบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้ำดื่มแด่ประสง์มีอยู่ไม่ใช่หรือ ประวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายน้นําดื่มแดดพระสงฆ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รับทักษิณาได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พระสงฆ์พูดถึงพร้อมด้วยสมาธิย่อมรับทักษินาได้เหมือนไฟรับการบูชาเหมือนแผ่นดินรับน้ําฝนจากเมฆมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นพระสงฆ์จึงรับทักษินาได้เจ็ร้ปรวาทีพระสงฆ์รับทักษินาได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทีมักรับได้ผลก็รับได้ใช่ไหมส ก, กาวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวัตตพังสังโฆทักขินังปฏิคันหาตีติกถาจบเจ็ดนวัตตพังสังโฆทักขินังวิโสเทตีติกถา172ว่าด้วยไม่ยอมรับว่าประสงค์ธรรมทักสินาให้หมดจด เจ็ดร้ก้กวาธีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าประสงค์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาธีใช่ส ก, กวาธีประสงค์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมิใช่หรือปรวาทีใช่ั ก, กวาที หากพระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ธรรมทักษินาให้หมดจดได้สกวาธีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์รมทักษินาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เป็นผู้ควรแก่ทักทินามิเช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือแดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักทินาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงค์ทำทักทินาให้หมดจดได้สกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงค์ทำทักทินาให้หมดจดได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่ประสงค์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่มิเช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลบางพวกที่ถวายทานแด่ประสงค์แล้วให้ทักษินาบริบูรณ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าประสงค์ทำทักษินาให้หมดจดได้สกวาธีบุคคลบางพวกที่ถวายจีวร วินธบัตเสนาสนะคิฬานปั จ, จัยเภสัตรบริขารของเคี้ยวของบริโภคน้าดื่มแด่พระสงค์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวัตีหาบุคคลบางพวกที่ถวายน้าดื่มแด่ประสงค์แล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงค์ทำทักษิณาให้หมดจดได้ เจ็ร้ปรวาทีพระสงฆ์ทำทักทินาให้หมดจดได้ใช่ไหมจกวาทีใช่ปรวาทีมักทำทักทินาให้หมดจดได้ผลก็ทำทักทินาให้หมดจดได้ใช่ไหมจกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นนวตัตตพังสังโคทักคีนางวิโสเทตีติตกถาจบ 8. นวตัตตพังสังโคพุณติติกถาหนึ่งเจสว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าประสงค์ฉันได้เจ5้กสหกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าประสงค์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลบางพวกที่ทำสังคพัฒอุเทศพัฒยาคู และน้ำปานะมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหาบุคคลบางพวกที่ทำสังคพัดอุเทศพัดยาคูและน้ำปานะมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าประสงค์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ส ก, กวาทีท่านไม่ยอมรับว่าประสงค์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ ส ก, กวาธีคณะโภชนะปรัมประ โ, anut, โภชนะอนะติริตะโภชนะอนติริตะโภชนะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือประวาทีใช่ั ก, กวาทีหากคณะโภชนะปรัมประโภชนะอติริตะโภชนะอนติริตะโภชนะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้สักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระสงฆ์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาทีน้ำปานะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แปดอย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำมะซางน้ำลูกจันทร์น้ำเง้าบัวน้ำมะปรางมีเทหรือประวารทีใช่สกาวาทีหากน้ำปานะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แปดอย่างคือน้ำมะม่วงน้ำลูกว่าน้ำกล้วยมีเมล็ดน้ำกล้วยไม่มีเมล็ดน้ำมะซางน้ำลูกจันท์น้ำเง้าบัวน้ำมะปรางดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าประสงค์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้796ดราประวาทีประสงค์ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมักวาทีใช่ประวาทีมักฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ผลก็ฉันดื่มเคี้ยวลิ้มได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น นวัตตพังสังโคภุญชตีติกถาจบ 9. นวัตตพังสังคัสะทินนังมหับพัลันติกถาหนึเจ็ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสง์มีผลมากเจ็ดร้กาวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสง์มีผลมากใช่ไหมประวาทีใช่ สักวาทีประสงค์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทามัญชรีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมิใช่หรือปรวาทีใช่สักวาทีหากประสงค์เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ทานที่ถวายแด่ประสงค์มีผลมากสักวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสงค์มีผลมากใช่ไหมปร ว, รวาทีใช่สักวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินามิเทหรือปร ว, รวาทีใช่สักวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือแดบุคคล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสง์มีผลมากเจ็ดร้ก้าสิบแปดกวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสง์มีผลมากใช่ไหมปราวาทีใช่สักกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโคตมี พระนางจงสุดถวายสงเ์เถิดเมื่อพระนางถวายสง์แล้วจะชื่อว่าเป็นผู้ได้บูชาอาตมภาพและสง์มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ั ก, กวาทีดังนั้น ท, ทานที่ถวายแด่ประสงค์จึงมีผลมากั ก, กวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่ประสงค์มีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่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 พระอริยบุคคลเหล่านี้แลเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นผู้ให้แสงสว่างคือปัญญาแก่ชาวโลกยอมยกทำขึ้นแสดงทานที่บุคคลถวายเจาะจงสงนั้นชื่อว่าเป็นทานถวายดีแล้วบูชาสการะอย่างดีแลทักษิณาที่ถวายสงนั้นมีผลมาก ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงรู้แจ้งโลกที่ทรงสันเสริญแล้วเราชนมหวลประรึกถึงบุญเช่นนี้ได้เกิดปีติและโสมนัสกำจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งมูลได้ท่องเที่ยวไปในโลกไม่ถูกบัณฑิตตีเตียนจึงเข้าถึงแดนสวรรค์ได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่สั ก, กวาที ดังนั้นทานที่ถวายแด่ประสงค์จึงมีผลมากนวัตพังสังคสทินนังมหัพพารันติกถาจบ 10. นวัตพังพุทธสทินังมหัพพารันติกถา17ึ ว, ททา 175. ว่าด้วยไม่ควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากเ9็ดรกก้กวาทีท่านไม่ยอมรับว่า ทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประธานเป็นผู้อุดมเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาผู้เสมอไม่ได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอไม่ได้ไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีผู้ทำรรกิจเปรียบเทียบ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 ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากสักวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีใครๆที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่มีสักวาที หากใครๆพูดเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าโดยศีลสมาธิปัญญาไม่มีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากส ก, กวาทีท่านไม่ยอมรับว่าทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้ามีผลมากใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกอื่นก็ตามไม่มีผู้ที่จะประเสริฐกว่าหรือจะทัดเทียมพระพุทธเจ้าผู้ถึงความเป็นยอดแห่งอาหุนยบุคคลของเหล่าชนผู้มีความต้องการบุญผู้สแสวงหาผลภัยบูรณ์มีอยู่จริงมิเทหรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นทานที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าจึงมีผลมาก นวัตพังพุทธะทินนังมหัพลันติกถาจบสิบเอ็ดทักษินาวิสุท ธ, ธิกถา176่ว่าด้วยทักษินาบริ 800. สุทธิแปดร้อยส ก, กวาธีทานบริสุทธิฝ่ายทายกผู้ให้เท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิฝ่ายปฏิคาหกผู้รับใช่ไหมประวาธีใช่ สกาวาทีปฏิคาหกบางพวกเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำมัญชรีเป็นเนื้อนาบุญนันยอดเยี่ยมของโลกมีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกาวาทีหากปฏิคาหกบางพวกเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแกทักษิณาควรแกการทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหกักวาทีทานบริสุทธ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหกใช่ไหมรประวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคลสี่คู่คือ8บุคคล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินามิเช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากอริยบุคคลสี่คู่คือแปดบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นผู้ควรแก่ทักษินาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสกวาทีทานบริสุทธิ์ ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้วให้ทักษินาบริบูรณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากบุคคลบางพวกให้ทานแก่พระโสดาบันแล้วให้ทักษินาบริบูรณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสกวาทีบุคคลบางพวกให้ทานแด่พระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันแล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่จักกวาทีหากบุคคลบางพวกให้ทานแด่พระอรหันแล้วให้ทักษิณาบริบูรณ์มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า ทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแปดเอดประวาทีทานบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกใช่ไหมตะกวาทีใช่ประวาทีบุคคลอื่นทําให้แก่คนหนึ่งสุขทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการบุคคลคนละคนกัน ทั้งรำและเสวยผลใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีทานบริสุทธิ์ฝ่ายทา ย, ยกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักศิณาสี่ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักศิณาสีประการอะไรบ้าง 1. ทักษินาที่บริ people, money, ük, people, so um, ส people, so ุทธ um. ิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกสทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหก ทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ปฏิคาหเป็นผู้ทุตศีลมีธรรมเลวทรามทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างนี้ ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามแต่ปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษินาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกเป็นอย่างไร คือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีนมีธรรมเลวสามและปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีนมีธรรมเลวสามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีนมีกัลยาณธรรม และปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างนี้อานอนท์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสประการนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกเท่านั้นแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ทักขินาวิสุทธิกถาจบสตระสมวัตรจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. อธิอระหัตโตปุญญูปัจโยติกถา 2. นัธิอระหัตโตอากาลมั จ, จูติกถา 3. ส, สัพพมิทังกรรมมตโตติกถา 4. อินทริยพัทธกะถา 5้ทเปตวา ar, อริยมรรคันติกถา 6. นวัตตพังสังโฆทักขินางปฏิคันหาตีติกถา 7. นวัตตพังสังโฆทักขินางวิโสเทตีติฏฐะแปนวัตตพังสังโฆพุญชตีติฏกถา 9. นวัตตพังสังคตสะทินนางมหัพพลันติกถา10 นวัตตพังพุทธสัททินังมหัพลันติกถาสิบเอ็ดทักคินาวิสุทธิกถา